ก่อรัศการพระอาจารย์นะครับปฏีจะมาขอส่งอารมณ์กับพระอาจารย์นะฮะปฏิที่ฟังยากพระอาจารย์แสดงธรรมแล้วก็ไปปฏิบัตินะครับก็ปฏีวันนี้ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับอนาปนาสติปดีจิตนิ่งแล้วนี่ก็มีนิมิตแท้กับเป็นดวงดาว เป่งประกายเป็นสีทองประมาณเจ็ดหกเจ็ดดวงอนะนก็จะหมุนอยู่ที่ที่หน้าผากเนี่ยนะนะบางทีก็เป็นเส้นตรงบางทีก็หมุนเป็นวงกลมนะอยู่อยู่นานพอสมควรแต่ว่าที่อาจารย์สอนไว้ว่าให้วางอุเบกขาก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรก็เพียงแต่ดูเฉยและสักพักหนึ่งก็ก็หายไปนะหายไปเสร็จแล้วก็เลยนั่งได้ ชั่วโมงกว่าก็เลยเหยียดเยีิยาบทมาเดินจงกรมนะในระหว่างเดินจงกรมนี่ก็ว า, างจิตไว้ที่ลมหายใจนะฮะ เ, เ, เดินไปเดินมานะเดินไปเดินม า, อ, าอยู่ที่ลมหายใจนะฮะก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ชํานานขึ้นเราห ล, ลังจากที่เดินอยู่พักหนึ่งก็เลยมาตึกธรรมะก็พอดี รละลึกถึงประวัติพระเถระหลังพุทธกาลที่ว่าท่านถูกเสือฆ่าไปนะที่ท่านสุขสิทถูกเสือฆ่าไปไปกินนะครับเราท่านเจริญเวทนาลุกปั ส, สนาแล้วก็ข่มเวทนาได้แล้วท่านไปเจริญเจริญมรรคแล้วก็สามารถบรรลุพระอหรหันต์ก่อนที่จะเสือจะกิน หัวใจท่านนะท่านก็ปรินิพานพร้อมกันที่บรรลุ ป, ปาลรหันพอคิดมาถึงตอนนี้ปุ๊บก็ก็ระลึกถึงคำสอนที่ในอัตกถาที่ท่านบรรยายไว้ว่าออถ้าหากแม้นพระพุทธองค์ยังไม่หากยังไม่ทรงปรินิพานนะแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลทั้งลอยโยต์ผันโยต์ท่านก็จะเอื้อมพระหัตถ์มาลูกําศีรษะนะเพื่ออนุโมทนากับท่าน พอคิดถึงตอนนี้ปุ๊บรู้สึกยังปิติให้เกิดขึ้นผูแผลซ่านไปไปทั้งตัวเลยนะฮะลงขึ้นขึ้นศีรษะลงทั้งที่ขานะแผลไปทั้งตัวรู้สึกปิติแรงอ่ะนะก็หวั ง, งที่เดินไปนี่ปิติก็ดึกก็เกิดตลอดเวลานะฮะแต่ว่าลมหายใจก็ไม่ได้ทิง้งนะจิตก็ยังจับอยู่ที่ลมหายใจก็ไม่ได้ทิง้งก้าวไปก้าวมาก็รู้สึกจะหลายรอบ การเดินก็สม่ำเสมอนะฮะเดินไปเรือยมาหลายรอบต่หลังรู้สึกว่าปิติจะเกิดเกิดบ่อยก็เลยพย า, ยามข่มปิติไว้ไม่ให้เกิดมากเกินไประหว่างที่เกิดปิติก็เหมือนกับมีพลังแบบสุขสดชื่นอะนะที่แรกกล่าวว่าปวดบ่าที่ที่นั่งมาหลายวันนี่จะปวดบ่าปวดบ่ากับปวดหลังเนี่ย พอปิติเกิดป๊บโล่งเลยครับหายเลยนะแล้วก็รู้สึกอารมณ์ก็สดชื่นขึ้นมีมีกำลังขึ้นนะก็เลยระหว่างที่เดินไปนี่ก็เลยได้ข้อคิดว่า อ, อ๋อลูรู้วิธีละที่ว่าจะทําปิติให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพื่อยังกุศลจิตให้ให้เกิดต่อเนื่องนะนะขณะเดียวกันก็รู้ว่าเออถ้าเกิดมากไป ก็รู้วิธีว่าจะจะขมไม่ให้มันมากเกินไปอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยมาขอส่งอารมณ์กับพระอาจารย์ receber! ไม่ทราบว่าปฏิบัติอย่างนี้จะออถูกต้องไหมหรือว่าต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงบ้างนะครับถ้าหากโยมสามารถกำหนดรูร้ลงเข้าลงออกได้อย่างดีนันๆสมาดี จะดีขึ้นเราก็มีความสุขกาในใจและกลายมีปิติเวลานั้นไม่ต้องทำอะไรกับปิติถ้ากำหนดกาหนดรู้แต่้องเข้าร้งออกอย่างเดิมปิติที่ปรากฏในตัวร่างกายและใจสามารถจะช่วย ยิงพูดสามาถนั่งได้อย่างนานๆไม่มีความเจ็บปวดก็ไม่ต้องทำอะไรกับปิติไม่ต้องคงปิติรู้เดลลมเข้าลมลมออกรักษาจะตสติให้ดีที่ลมเข้าลมออกนานๆติดต่อตอนเ่อเนอไปเพิ่มเวลาถ้าเพิ่มเวลา ได้นนนานๆต่อไปก็สมาธิก็จะดีกว่านี้อันนี้อันหนึ่งที่โยมโยมบอกเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์ที่ถูกข่านะ ถ, ถูกเสียอยโยเข้าใจยังไงเขาเขาเขา กวรมดือรเวทนาหรืออะไรบ้างความเข้าใจอะไรอะไรคนไม่ถูกเละนยมบอกอีได้ไหมเพราะว่าอาตมาต้องต้องบอกใครสิ่งที่ถูกต้องคือเข้าใจเกี่ยวกับที่ท่านสา ม, มารถเจริญสติ <c ười> เพื่อมาเจริญ เวทนารุปัสสนานะเราเราหลังจากนั้นนี่ท่านอาศัยเวทนารุปัสสนานี้เป็นฐานไปเจริญมรรคต่อเราสามารถบรรลุมรรคเป็นขั้นขั้นไปจากโซดาปฏิมรรคคือท่านถึงพระอรันธรรมัรคงนี้แล้วก็รู้สึกป่าปลื้มใจที่พูดถึงว่าพระรุธองเนี่ยถึงแม้ท่านปฏินิพพานไปแล้วนี่นะ พระสาวกทั้งหลายก็ยังเคารพท่านว่าเออถ้าท่านอยู่นะฮะท่านก็จะแสดงความจนิงดีกับพระผู้ปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติเอาชีวิตเข้าเสียงแรกกพระนิพพานา น, นะก็จะเริ่มผ่านมาลูกคำให้กาลังให้ให้แสดงความอนุโมทนานะฮะในผลการปฏิบัติของท่านนะฮะใช่ใชครับผเกี่ยวข้ขของกับพระพุทธเจ้าครับผมเป็น ความรู้ที่ถูกต้องเป็นพระมหากรุณาเกี่ยวข้องกับกําหนดรูด้เวทนาหรืออารมณ์อื่นๆนั้นยังไม่ถู ก, ถกต้องแก่ให้น่าต้องแก้ให้ในอัตถกตาอธิบายไ ว, ยว้ว่าเวทนานวิคัมเบิดตัววิปัสสนาวุวาติตัวอรหันต์ปัปปุนันติเวทนานวิคัมเบิดตัว วิคัมปิตวัตเข้าใจไหมคุ้มคุ้มเวิยนาแล้วเขาพัฒนาวิปัสสนาในที่สุดเขาก็บรรลุอริยมรรหาตมะแนผมเพราะว่าจริงๆที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าดีคุณค่าของธรรม คุณค่าของพระธรรมถ้าสามารถรู้เจ้งเห็นเจงรู้ประมา a น n a ประม h m a t h i b จ j a ต่างๆอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสไนว่าอาจจะมีความทุกข์ในกายแต่ว่าไม่มีความทุกข์ในใจเพราะว่าสามารถคู่เวทนาที่เกิดในกายได้ท่าอนอโยมก็สามารถเข้าใจได้ว่า ถ้าเรามีความเจ็บมากถ้าเราไปเอาใจใส่จะเป็นยังไงเ <c oughs> จ็บมากเลยเราต้องขูงเ <c oughs> วีนอันนี้อันนี้เป็นกายกายกายกาดดุขะกายกัทู่ก็ต้องต้องขูมต้องอุปิขา <c oughs> แล้วก็ต้องเอาใจใส่รูปประมาทนประมาท <c oughs> เพราะฉะนั้นสามารถบรรลุมักคนได้ <c oughs> ถ้าไปไปใส่ใจ กายกาทุกข์ก็ทุกข์มากเลยต้องขูมอย่างนี้ทำต่อไปนะรพูด อนุญาส่งอารมณ์ครับก็ของผมมาที่หลังครับมาวันแรกแรกก็นั่งไปหลับไปครับนั่ไปหลับไปนั่งหลับไปแล้วก็นั่งแล้วก็มีปวดหลังอะไรอย่างเนี้ยก็มีมีเมื่อเช้านี้นั่งได้นานขึ้นหน่อยครับก็กําหนดลมหายใจได้มากขึ้นแล้วก็มีผมสังเกตว่าพอกําหนดได้มากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ สำหรับของผมเองเนี่ยดียมากแล้วก็จะ ก, กำหนดได้รูจมูกทีละข้างครับตอนแรกๆก็<ม>สองข้างแล้วจากนั้นก็ข้างเดียวครับอาจจะเป็นซ้ายข้างเดียวหรือว่าขวาข้างเดียวแล้วก็ตอนเช้าก็มีตอนที่กำหนดก็มีแสงสีขาวอ่อนเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับก็กาหนดต่อไปครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับวันนี้ สามารถกำหนดรู้ลงเข้าลงออกได้กี่นาทีนั้นติดต่อต่อนเนื่องไปครับของผมส่วนใหญ่ยังไม่ถึงหกสิบนาทีเะครับหกสิบนาทีครับอสามารถท่างานเกาะหมายถึงว่าสามารถกำหนดรู้ห้าสิบนาทีครับอืมดีดีอยู่แล้วจะมีมีหะโอ้หมายถึง ห้สิบนาทีนี่มาถึงนั่งได้เขาไม่ใช่กําหนดได้ครับมีทั้งแบบนับนับนับแล้วหายไปเลยคแล้วก็มาเริ่มจดเรื่องไม่ได้ต่อเนื่องครับมาถึงนั่งได้เท่านั้นแหละครับไม่ใช่กําหนดได้อืไม่มีความร่วงวันนี้ยังมีถ้ามีก็หลับไปเลยครับหลับไปหรือโอส่วนร่วมกับ ควา่วงเข้าใจไหมมีส่วน ร, ร่วมกวับมีส่วน ร, ร่วมกว็ใช่ร <c oughs> จริงๆแล้วมันใช่เป็นคลน์คลายจะง่วงคลายง่วงยใช่หรือไม่ใช่ใชถูกหรือไม่ถู ก, ถกไม่ใช่หรอกหมายถึง <c oughs> เป็นนามธรรมเป็นกิเลสกิเ <c oughs> ลสนะ ก็เลยเพราะว่าใจของเราไม่ชอบไม่ชอบจะอยู่กับอารมณ์ที่เดียว <Okay. S 1> แต่จริงแล้วใจจิตใจของเราไม่ชอบอยู่กับกุศลอารมณ์อารม ณ, ณ์ของกุศล <c oughs> เพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรสวยงามก็ไม่สามารถีอัทริ S <S ดึงดู ด, ดจิตของเราได้ก็เลยเราก็ไม่ค่อยสนใจก็ความเบื่อเกิดขึ้นจากที่น่ามีดา่าที่นามีด่าที่นามีดาที่น่ามีดา่ า, ดาเป็นเหตุที่ก่ให้มีความร่วงอันนี้เป็นกิเลที่ก่ให้มีความรู้สึกอย่างนี้แต่เวลานั้นถ้าโย ไม่มีส่วนรวมไม่ง่วงหรอกสามารถแก้ได้แต่ว่าเราก็เราก็ทำตามเราก็ฟังคมสั่งสอนของกิเลสเราก็ธาตุธาตกิเลสเป็นเป็นธาตกิเลสเราก็ต้องพยายามทำเป็นนายนะว่าให้เป็นธาต ก็ในข้างหน้ายามีส่วนรวมกับก e ิเลสต่างๆปัญหาทุกส yup. ิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่ามีการส่วนรวมถ้าไม่มีก็ไม่ไม่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับกิเลสของตัวเองและเกี่ยวข้องกับผู้ผอื่นเพราะมีความส่วนรวมก็กิดก็ให เกิดปัญหาต้องฝึกไปหนะมายถึงไม่มนัสิการใช่ไม่ไม่มนัสิการไม่มนัสิกันต้องต้องยอมรับเพราะว่าเรามีกิเลส ก, ก็เลยสามารถเกิดในใจของเราได้แต่ว่าไม่ไม่มีอยากให้มีสวนรวมสำคัญมากต้อ ง, งยอมรับไม่ให้กิเลส ต, ต่อไปเป็นกิเลสอีก หมายความว่าอะไรมให้ไม่มีส่วนรวมอ๋อไม่ร่วมมือกับไม่ไม่ร่วมมือกับไม่ร่วมมือใช่ใช่ใชไม่ร่วมมือครับใจแครับต้องยอมรับแต่อย่าล่วมมือฮะไม่อย่าร่วมมือใช่ใชใช่ช่ชใช่ใช่เขาต้องฝึก ไม่อย่างงั้นก็เราก็เป็นธาตุกันมีท่านอื่นมาดินเทนท่านทั้งหมดการบัตการค่ะ เมื่อวานนี้ที่โยมไปปฏิบัติต่อนะคะเมื่อเช้าพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ก็รู้สึกตัวว่าอนึกถึงเรื่องลมอะค่ะก็ดูก็ไปตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกนึกถึงเรื่องลมขึ้นได้ทันทีเลยแล้วเมื่อเช้านี้ก็นั่งสมาธิได้ประมาณ50นาทีแต่ ก็มีการตกพวังแต่ตกไม่นานนะฮะตกพวังพวังนี้เป็นโมหะใช่ไหมตกจักประมาณสามครั้งในห้าสิบนาทีห้าสบห้าสิบนาทีค่ะสามารถกำนวดหรือกำนดใดแต่ตกพวังประมาณสามครั้งแต่ไม่นานนะฮะตกเดียวเดียว ไม่อย่าให้เป็นบ่อยๆนี่ถ้าเป็นบ่อยๆก็จะรบกวกนการปฏิบัติของโยม<ะ>อย่างที่อาตมาบอกเมื่อวานนะั้นเวลาที่เราสามารถกำหนดรู้ลืมได้อย่างนั้นๆมีความสูกก่กายกายมีความสู่ในใจแ ล, กละกายเวลานั้นเราก็ไปใส่ใจแล้วก็ลืมลงเวลานั้นก็ตก มีมีอกอันหนึ่งค่ะคือถ้าโยมนับเลขนนะคะสติจิตมันไม่สงบมันมันว้าวุ่นต่อการนับเลขค่ะก็ลองดูว่าโดยการไม่นับก็รู้สึกจะไปได้ค่ะถ้าเงินก็ไม่ต้องนั บ, ไ ม, นบไม่ต้องนับนะจะบ้างคุณนับใช้การนับอีประยุ์ บางคนก็ไม่ค่อยดรีรู้สึกไม่นับจะดีกว่าถ้าอย่งงางนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องนั บ, บนะก็ปฏิบัติต่อไปอต้องเพิ่มเวลา ค, ค่อยๆ เ, เพิ่มเวลาเพิ่มเวลาค่อยๆต่อไปถ้าไม่ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้แล้วก็ไม่สามารถเจริญสมาธิมากกว่า หลังจากที่เมื่อวานนะเจ้าค่ะทรงอารมณ์ว่าบอกกังวล น, นิดหนึ่งแล้วก็จะดูลมไม่ไม่ดีเลยเจ้าค่ะแต่พอพระอาจารย์บอกให้ดูลมใหม่อีกครั้งนี้วันนี้ดีมากๆเลยเจ้าค่ะแล้วก็ดูลมต่อเนื่องได้มาก เป็นเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งได้เลยนะเจ้าค่ะ mm hmm. ขณะนั่งนะเจ้าค่ะแต่ก่อนที่จะนั่งนะเจ้าค่ะถ้าเดินจากนี่ไปกำหนดไปด้วยนะเจ้าค่ะแล้วไปนั่งก็จะดีมากมากเลยเจ้าค่ะจะต่อเนื่องกันตลอดเจ้าค่ะรู้สึกว่าตั้งมั่นในในในการดูลมที่โอกาสที่จะจะไหวออกไปนี่น้อยมากเจ้าค่ะ แล้วกน็นี่ช่วงเช้านะเจ้าคะ่ะพอช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่เจ้าคะ่ะก็ได้ประมาณ45นาทีตลอดเลยนะเจ้าคะ่ะหลังจากที่เดินไปถึงที่นูน่นแล้วก็เข้าไปที่ห้องนะเจ้าคะ่ะโดยที่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่แม้ว่าจะรู้สึกว่าจะมีเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายนะเจ้าคะ่ะก็จะไม่แทบจะไม่อยากจะขยับเลยเจ้าคะ่ะ เพราะว่าตามลมได้ได้แนบมากเจ้าค่ะก็วั น, นวันนี้ดีมากๆเจ้าค่ะในการที่จะตามกำหนดดูลมอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะลมละเอียดอยู่ใช่ไหม ย, ยังยมตามไม่ละเอียดมากเพราะว่าเป็นหยา บ, บที่ ท, ที่ที่ค่อนข้างจะแรงนิดนึงแต่ว่าก็สงบดีนะเจ้าค่ะ แต่พูดถึงว่าลมไม่หายนะเจ้าคะ่ะหมายถึงว่าค่อยๆไปแต่ไม่หายตามตามได้แล้วก็ไม่ไม่มีอาการอย่างอื่นเลยมีมีแต่ความที่จะนั่งดูลมไปเรื่อยๆไม่ไม่อยากลุกด้วยเจ้าคะ่ะเพราะว่าไม่อยากแม้แต่จะขยับกายนะเจ้าคะ่ะเวลาที่สามารถกำหนิดรู้ได้อย่างดีเวลานั้นคนนั่งต่อไป มันนั่งต่อไปจะสามารถทำได้ดีก็เราก็ต้องทำไปเลยเพราะว่าถ้าไม่ไม่ทำไป ถ, ถ้าเราอยูดก็เสียเวลาที่สามารถทำได้นั้นมากกว่าชั่วโมงครึง่งถ้ า, าทำได้สองชั่วโมงก็ทำไปหนะน่อยแต่ในที่ในที่สุดก็เราก็ต้องฝึกกพ่าจะนั่งชั่วโมงครึง่งเวลาตันํอาอดีขึ้นดีขึ้น เพิเวลาต่อไปเจ้าค่ะเะวลาเวลาลุกขึ้นมานะเจ้าค่ะโยมก็จะต่อตลอดหมายถึงว่าจะเดินแล้วก็จะดูลมต่อมาเรื่อย <spe ech ing> จนถึงนี่แล้วก็ตลอดเวลานี้พยายามที่จะกำหนดให้มากขึ้นคือตลอดเวลาถ้าถ้าทำได้แต่รู้สึกว่าเวลานั่งเนี่ยจะเห็นชัดตลอดไม่ไม่ไม่ไม่หยุดแต่เวลาเดินก็เหมือนกันนะเจะ้าคะแต่ถ้าเวลาอยู่ทั่วไปนี่ก็จะ จะจะมีการที่จะแต่จะแต่จะตามดูตลอดเลยเจ้าค่ะแล้วก็สาธุเจ้าค่ะ <laughs> โยมส่งอารมณ์เล็กน้อยเจ้าค่ะวันนี้ในช่วงเช้าก็ฟุ้งซ่านเยอะแต่ก็ได้รู้สึกว่ามีสิ่งที่ได้รู้จักสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สงบหลายอย่างเจ้าค่ะแล้วก็ยังคงพยายามนั่งต่อไปเจ้าค่ะสองชั่วโมงแต่ว่าขยับบ้างตอนแรกก็ใช้พุท ธ, ธานุสติเป็น ที่ตั้งออพอสักพักหนึ่งถ้าไม่สงบก็พุทธานุสติพุทธานุสติตอหนหลังมันลังหลังก็เลยแผ่เมตตาเจ้าค่ะให้นานเข้าเจ้าค่ะแต่นี้ก็แล้วก็ใช้วิธีพยายามรู้ตัวเวลาทำอะไรต่างๆเช่นเดินออกไปรับประทานอาหารอ่า แล้วตอนบ่ายก็เนื่องจากนั่งอยู่ในที่ที่มีเสียงคนพูดก็เลยเ อ, อยากจะรู้ว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> โดยกำหนดโดยนั่งดูลมหายใจไปค่ะ เ, เจ้าคะ่ะรู้สึกว่ามีสมาธิดีมากกว่าแล้วก็ไม่ฟุ้งสัน้นเหมือนเมื่อเช้าก็รู้สึก เ อ, อว่าพอใจที่ที่ปฏิบัติได้ดีกว่าเมื่อตอนเช้าก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่เราปฏิบัติถ้าเราเลี่ยงไม่ได้แล้วอยู่ในที่ที่มีคนแล้วเราก็กาหนดของเราอย่างนี้จะถูกต้องไหมเจ้าคะเราก็ใส่ใจที่ลมหายใจของเราเวลาที่มีเสียง เราก็ไม่ใส่ใจยกเว้นแต่ได้ยินเราก็ไม่ได้ฟั ง, <c oughs> งนี่นเจ้าค่ะดีๆถ้าสามารถอุปคาไว้ถ้าวางอุปคาไว้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่เราทำปฏิบัติก็บอกได้ว่าเรามีย و ิโซมานสิการเราก็ต้องเจริญ โยนิโสมนสิกาลถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จรัสบอกไว้ว่าเราไม่สามารถทำไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างดีเราก็ต้องวางอุปิขาทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเดเขา้าลดออกเจ้าค่ะแล้ววางโยนิโสมนนัสิการตอนนั้นทําอย่างไรเจ้าค่ะ าที่ว่ า, เ, าเราต้องโยนิโสมานสิกการเวลาที่เราปฏิบัติ<อ>หลังจากระวางอุเบกขาแล้วโยนิโสอย่างไรเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรสสอนไ ว, ว้ว่าคนปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องเจริญโยนิโสมานสิการถ้าไม่มีโยนิโสมานสิการไม่สามสามรถสัมฤทธ กรรมปฏิบัติของเราได้แต่ต้องอธิบายต้องอธิบายเทลาอย่างเท่าอย่างหมายถึงว่าถ้าเรากําลังปฏิบัติอนาปานาสติเราก็ต้องอธิบายเกี่ยวข้องกับอนาปานาสติเวลาที่เรา ปฏิบัติท่าศีเวลานั้นก็เราก็ต้องอธิบายอย่างอื่นเวลาที่เราปฏิบัติอนาบานาสติอารมณ์ของเราก็ลมเข้าเล็ดลมออกถูกค่ะถ้าเราไม่รู้ลมเข้าลมออกถ้าเราไปใส่ใจอารมณ์อื่นๆ ไมาถึงว่าเราไม่มียนติโสม a นในสิ่งการเราต้องรู้แต่ลมเข้าลมออกตลอดเวลาเวลาใดเวลาไหนใจลอยไปจอยใจจิตใจไปใส่ใจที่อารมณ์อื่นๆเราก็ต้องต้องเตรียมตัวเองเดีย๋ยวนี้ตัวเองไม่มียน n i s o ม a n a s สิ่งการก็สามารถ กลับมาได้ยังรวดเดียวแล้วในระหว่างที่ว่ามีความฟุ้งร้านเยอะๆเราก็จัดแจงใหม่โดยทำใจให้สบายบอกด้วยเองให้ใจเย็นๆทำใจให้สบายแล้วก็ทำต่อไปทำต่อไปอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะยังนี้เลย ใจฟุ้งมีใจฟุ้งสัน้นถ้าเราสามารถรับรู้ทันทีเราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างอย่างดีเพราะว่าเราไม่รับรู้ทันทีในเวลาฟุ้งสัน้นก็เราก็ตามไปท่านานั้นๆต่อไปว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีเลยเราก็ตามไปแล้ว ก็ใจก็ไม่สงบแล้วเพราะฉะนั้นโยมต้องอธิษฐานก่อนปฏิบัติไว้พระแล้วแล้วก็อธิษฐานเวลาใดเวลาไหนมีความพุ่งสัน้นโยมจะพยายามทำให้รู้ทันทีแล้วก็จะกลับมา รู้รูข้าลูมออก ท, ทันทีด้วยด้วยความเชื่อใจตัวเองด้วความเชื่อใจตัวเองถ้าถ้าอดิฐานไว้สามารถกลับมาได้อย่างทันที <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราตามไปหมายความว่าเราล่วมมือกับความฟุ่งส่าน ก็เลยตามไปต้องไม่ควรลูบ ม, มือเจ้าค่ะื <laughs> <ม> ปัญหาของโยมเมื่อวานนี้ก็คือง่วงนอนเจ้าค่ะนั่งได้สองสานาทีก็นิ่งก็ความรู้สึกก็มาอยู่ตรงจมูกตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็มาอยู่ตรงริมฝีปากบนแต่ว่าเดียเด๋ยวๆเท่านั้นก็ง่วงแต่ว่าไม่ได้ง่วงแบบสงบง่วงแบบเหมือนคนกระเพาบตาจิกเดียวแล้วก็ รู้ตัวขึ้นมาแต่ตอนที่รู้ตัวขึ้นมานิดหนึ่งนี่กลายเป็นว่าจิตมันตั้งมั่นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สว่างหน่อยแล้วก็แว บ, บเดียวก็เนื่องลงไปอีกจิตเดียวเหมือนคนกระพื่อตาแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วไม่กี่ทีก็ม่วงมากๆไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าไม่มีสติแล้วก็ ไม่มีความพยายามวันนี้โยมก็ลองดูใหม่เจ้าค่ะก็แก้โดยวิธีรู้ตัวเองอยู่เรื่อยๆว่ามีสติไหมแล้วก็รู้ลมหายใจแล้วก็รู้ตัวเองว่ามีสติไหมมันก็ไม่ได้ง่วงเจ้าค่ะอยู่ได้สัก10บนาทีแล้วจึงจะเริ่มง่วงอีก แล้วก็เป็นก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดื่มน้ำคำหนึง่งแล้วก็นั่งต่อก็ไม่นานมากเ่ยาค่ะก็ง่วงอีกอันนึงแต่ว่าที่แปลกอีกอันหนึง่งก็คือว่าพอนั่งไปได้สักพอพอลงไปนั่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานมันก็นิ่งแล้วแล้วก็กล้ามเนื้อที่ตึงเนี่ยมันก็คลายเองทีละแห่งตรงนี้ก็คลายตรงนี้ก็คลาย Just one by one, I'm trying to r l e s e And ตอนบ่ายนี้ก็ไม่มีโอกาสนั่งมีธุระสาคัญที่บ้านรอโทรศัพท์เจ้าค่ะก็เลยเดินเดินแล้วก็ดูลมหายใจแต่ว่าไม่สามารถที่จะโฟกัสซ้อนวันพอยก็เลยดูเข้าออกเข้าออกแล้วก็ at the same time I try to adjust my pace walking pace Walking, p a s e to be the same in line with my breath, inhale and exhale, and then I watch only two points here and here, and ignore all the others. Of course, I know all the others around, but then I just ignore it. I and please let me know whether this is there any precaution I should be aware of. When do you do walking. ทั yes, ้งที่สามารถทําได้ใส่ใจแต่ลมเข้าลมออกแต่บางทีเราเราก็เดินอยู่ใช่ไหมก็เลบางทีก็เราก็ต้องระวังสิ่งที่สิ่งที่เราชัดจําเป็นทำไห้จาเป็นก็ไม่ต้องใส่ใจอันใดอันไหนใส่ใจแต่ ลมเข้าลมออกถ้าทำอย่างนั้นต่อไปก็สามารถช่วยเวลานั่งถ้าละถ้ามีมีสติอย่างจิตต่อต่อเนื่อนที่ลมเข้าลมออกเวลาเราทำอะไร เวลาเรานั่งก็สามารถช่วยการปฏิกปรปฏิบัติของเราได้เหมือนกันถ้าไม่มีกำห ด, ดนดะไม่มีทาให้รักษาสติให้ดีกับลมเข้าลมออกเวลาที่เราเดินหรือทำอะไรก็ตาเวลานั่งเราก็ต้องเรื่ม อ, อีก ต้องเริ่มจากขัง้งขัง้งต้องขั้งต่อนะแล้ก็ต้องเริ่ม อ, อีกกรณี เ, เราก็ต้องฝึกจิตของเราให้รู้ลมเข้าลม อ, ออกตลอดเวลาเท่าที่สามารถทําได้แล้วก็ให้มีความตั้งใจในเวลาใส่ใจลมเข้าลม อ, ออกมากกว่านี้ เพราะว่ามีความร่วงบ่อยก็เพราะก็เหตุหนึ่งก็ไม่มีความตั้งใจที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็สติอ่อนแล้วก็ต้องเพียงพอสมควรบางทีเราลืมเพราะฉะนั้นเรา งด น, นอนลืมเพื่อจะรู้ลงเข้าลงออกลืมหมายถึงว่าเวลานั้นไม่มีวิทยาเพื่อจะรู้ลงเข้าลงออกเพื่อจะยุบจิตของเราเกลงเของลงเข้าลงออกเราก็ต้องต้องมีวิทยาที่เหมาะสม ถ้าไม่มีวิรยิยะสติก็ไม่อยู่แต่ถ้าวิรยิยะคืนไปสติก็ไม่ไหวว่า<ม>จะทําตามว่าใช่ใช่<ม><ม>ไหมเนี่ยท่านตอบไปนะผมไม่ต้องทําเลยไม่ต้องทำหมายถึงว่าถ้าเราก็ต้องให้รู้ลมเขา้าลมออกถ้าไม่รู้ก็ไม่ไม่มีสติ ถ้ารู้อยู่ก็มีสติอยู่เวลานั้นถ้าเราตรวจว่ามีสติไหมก็สิ่งทีเ่เราไม่ต้องทำเลยถ้าไม่ไม่รู้ก็ให้รู้อีกอถ้าถ้ารู้อยู่ก็มีสติอยู่เอาสตในในในเวลาที่มีลมหายใจเป็นอารมณ์ใช่ใช่ใช่ ้ได้้ได้อตามสบายตมสบค่ะเเจ็บเขาค่ะเมื่อวันที่ยี่ห้าที่อาจารย์แสดงธรรมยอมไม่ได้เข้ามา เลยไม่ได้ฟังแล้วก็พอดีเป็นชาวเชียงใหม่ไม่มีที่พักในนี้ค่ะก็นอนที่บ้านก็เลยไม่ได้ปฏิบัติจนกระทั่งวันที่27ได้ฟังของพระอาจารย์ก็พอดีเป็นข้าววิปัสนาไม่มีเรื่องอนาปัญสติอะค่ะแล้วเมื่อวานนี้มาลองนั่งฟังที่ทรงอารมณ์ก็เลยไปก็ได้ถามผู้อื่นว่านั่งยังไงเดิทยังไงนะคะ ก็ลองไปทำดูแต่นี่ก็เวลาหายใจเข้าหายใจออกเราจะดูลมเนี่ยค่ะมันจะมีความรู้สึกของความเคลื่อนไหวของซี่โครมกับไหล่นะคะมันจะเข้ามาทำให้สติไปอยู่ที่ลมน้อยหน่อยซี่โครม c h ส บอกอีกไดไหมค่ะคือเวลาตั้งใจจะสังเกตลมหายใจเพร่อก็บอกว่าให้สังเกตที่จุดที่จมูกที่เราหายใจกระทบเข้าและกระทบออกใช่ไหมคะค่ะก็พยายามที่จะจับดูแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยความรู้สึกขณะที่หายใจนะคะมันจะมีการยกขึ้นยกลงของอของตัวคะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าในขณะนั้นแทนที่ติดเราจะมาอยู่ที่จุดสัมผัส มันไปอยู่ที่ที่การเคลื่อนไหวของกายด้วยค่ะยาใส่ใจค่ะยาใส่ใจที่ที่เป็นอยู่ในร่างกายในหน้นาอกของโยงไม่ต้องใส่ใจถ้าไปใส่ใจอารมณ์เปลี่ยนไปอันนี้เป็นไม่ใช่อารมณ์ของอนาปานสติอันนี้ก็เป็นลักษณะ ลักษณะอย่างหนึ่งของธาตุธ <Okay. S 2> าตุเป็นลมธาตุาลม <Okay. S 2> ้าไ ป, ไปใส่ใจนานๆก็ก็ให้เกิดมีความรู้สึกอึดอาจหรือที่ไม่ดี <Okay. S 2> ก็เลยไม่ควรทางไม่ควรใส่ใจใส่ใจแต่ลูมแต่ลมเข้าลมออก <Okay. S 2> อยู่กับลมเข้า ลงเข้าล ง, ลงออกอย่างธรรมชาติ <Okay. S 2> ในในรักษาสติให้ดีที่ลงเข้าลงออก <Okay. S 2> จากที่กระท <Okay. S 2> ู้ถ้ า, าถ้าสามารถทําได้นานๆมีความสุขกายสบายใจแต่เวลานั้นก็ไม่ควรใส่ใจสุขทิปรากฏในใจและกาย <Okay. S 2> ควรทำควใส่ใจแต่ลงเข้าลงออก อย่างเดิมนี่ทำไปนี่รู้สึกว่าถ้าเดินถ้านั่งนั่งหลับตาตอนนี้พอดีนั่งนั่งบนเก้าอี้พอดีหลังไปชนกับพนักอาจจะมันไปดันด้วยหรือไงไม่ทราบนะคะแต่ถ้าเดินเวลาเดินนี่มีความรู้สึกว่าจะรู้สึกที่ลมได้มากกว่าเวลานั่งคะ่ะก็เลยพยายามเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำวันนี้คะ่ะ ด้านบนเก้าอีกได้ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาไม่ต้องแต่ไม่ต้องสนใจที่ใดที่ที่อื่นต้องสนใจแต่ลมเข้าลมออกถ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ก็มีอนี้ค่ะ นรรการพระอาจารย์ที่เครารพอย่างสูงวันนี้ยายยมนาปฏิบัติำกำหนดลมหายใจในช่วงเช้านั้นสมาธิเกิดแล้วก็หายไปรล้วก็กจิตจิตออกไปข้างนอกเยจ้ะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบ เชารู้สึกว่าเติมได้อะไรเลยแต่พอตอนได้จะ้ะแล้วก็บางนรืนองนได้บันทึกไหมก็คนแก่ก็อาจจะลำดับขั้นตอนอะไรอาจจะลืมไปบ้างอันนี้เป็นเพสติหรือเปล่าจะ้ะไม่เป็นอะไรไที่จำได้ที่จา ไ, ได้อยู่บอกได้จ้าในตอนนี้ตอนบ่ายนี่รู้สึกว่าสมาธิเกิดขึ้นเร็ว นะคสมาธิเกิดขึ้นเร็วนั่งไปสักครู่สมาธิก็เกิดทีนี้นั่งต่อไปก็ปรากฏว่ามีแสงเกิดขึ้นอีกเลยเคะแสงสีเกิดขึ้นอีกอแต่วันนี้จะเริ่มจากสีสีขาวมนๆนะเจค่ะเจ้คะ่คะเหมือนกับสีเมื่อวานนี้ตอนสุดท้าย เพราะเมื่อวานนี้เกิดสีเทากับสีเหลืองแต่วันนี้จะเป็นสีขาวหมุนๆเสร็จแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นสีม่งจากสีม่งก็เป็นสีชมพูก็ ก, ก็ก็พยายามดึงความสนใจมาที่ลมหายใจนะคะลมหายใจแต่เกิดวันนี้ไม่ไม่ได้ลอยลออกไปอย่างนี้นค่ะ นี่วา น, นี้จะลอยห่างออกไปห่างออกไปแล้วหายแล้วก็เกิดเกิดอีกสีหนึ่งเข้าไปสูมทับแต่นี่จะลอยอยู่ตรงจหมูก ย, ยุกๆใกล้ๆตรงจหมูกสักครู่หนึ่งเมื่อเมื่อไม่ได้ใส่ใจกับจึงนี้ก็หายไปแสงพีนี้ก็หายไปนะคะแสงหายไปแสงหายสีหายไปค่ะทั้งแสงสีหายไป ก็จะมีการเปลี่ยนอริยาบุเป็นเพราะเป็นพเนพราะเบาะ น, นั่งอย่งไงก็ไม่ทราบนะจยะค่วันนี้หาที่ที่ลองข้างหลังไม่เจอไม่ทราบว่าใครเอาไปไว้ตรงไหนก็ไว้ตรงนั้นนะคะก็ใช้ที่นั่งอีกอันหนึ่งมาลองก็รู้สึกว่าไม่นม่เหมือนเมื่อว า, าน มันจะมีผวังเกิดขึ้นช่วงครู่หนึ่งประมาณสักสองวินาทีเจ้าคะ่ะตกผวังทําไมนะเจ้าคะ่ะตกตกผวังตกผวังเจ้าคะ่ะสองวินาทีสองวิ 2, นาทีก็ลุกก็จริงจริงมันไม่ได้ไม่ได้ดึงนะคะแต่ตกผวังสองวินาทีแล้วก็มันมันก็หายไปรวังเจ้าคะ่ะ หลังจากนั้นก็จะมีไหล่ไหลนี้จะเกรงยะเกรงแต่แต่เกรงเมื่อไหร่ไม่รู้สึกมันมันเหมือนกับยกขึ้นมาย ก, ยกขึ้นมาอ้อพอ ร, รู้สึกมันปวดปวดก็คลายความเกรงนะคะยัไม่ทราบว่าเวลาเข้า ห้องเจริญสมาธิเนี่ยจ้าค่ะอไหล่ข้างซ้ายเนี่ยจะปวดจะปวดเป็นเป็นอยู่บ่อยเหมือนกันจ้าคะเมื่อเมื่อก่อนนี้โยมโยมขอเล่าถึงเมื่อก่อนนี้นะจ้าคะเมื่อก่อนนี้เคยมียอมเข้าอืเข้าห้องเจริญสมาธิเมื่อไหรจะปวดฟันปวดเหงือกปวดฟันเนี่ยจ้าคะสารมีข้างหนึ่งมันเหมือนกับ มันเป็นภาพที่ว่าไปจับมดแดงมาเสร็จแล้วก็มาบิดตรงปากตรงปากเขามีสีแง่งใช่ไหมคะบิดบิดปากเขาออกหมดเลย<ม>ก็ไปเล่าให้แม่เท่าฟังแม่เท่าก็บอกว่าให้แผ่เมตตาให้แล้วก็อย่าไม่นึกถึงมันบ่อยๆแต่โยมก็มันมันไม่ได้มันตัดไม่ได้ที่จะไม่นึกถึง เื็นึกถึงความความทุกข์ของมดค่ะเสร็จแล้วเข้าห้อเข้าห้องเจริญสมาธิเมื่อไหร่จะปวดทุกครั้งจนต้องไปถอนฟันจะค่ะถอนฟันพระอาจารย์ก็เคยก็เคยเห็นตอนนั้นนะจ๊ะค่ะนะคะเป็นอย่างนี้จะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ครั้งนี้ก็ได้เห็นไหม ยังที่อาตมาอธิบายผู้ปฏิบัติสอดอารมณ์ก่อนโยเราก็ต้องเจริญยอนิสวมนสีการมีอะไรเกิดในใจหรือมีหรือเห็นอารมณ์ใดๆเราก็ต้องวางอุปคขา ถไมอย่างนั้นก็เราไม่สามารถกำานดรู้อารมณ์ที่เรากำลังพัฒนาอยู่เราก็ต้องฝึกไปบางทีผู้ปฏิบัติบางคนได้เห็นอารมณ์ที่ดีเขาก็ชอบใจเขาก็ทำไปอารมณ์ที่ดีก็เป็นดีเหมือนกัน ก็ให้เกิดกุศลจิตได้ว่าอันนี้เป็นการรุกวนเกการปฏิบัติก็เลยแม้แต่เราได้เห็นพระพุทธรูปเราก็ไม่ควรใส่ใจเพราะว่าไม่สามารถช่วยให้การปฏิบัติจเจริญได้เลยก็เลยเราก็ต้องวางอุปิขาทุกสิ่งทุกอย่าง บางทีก็เกี่ยวข้องกับการของเราบางทีก็เกี่ยวข้องกับปัญญาสัญญาสัญญาของเรายัางไงยังไงก็ทำเราก็ต้องรับแต่ว่าอย่าให้มีลงลูกมืออย่าให้อยาลูกมือกับ อ, อันนี้สําคัญ สำคัญถ้าถ้าร่วมมือเราก็ไม่สามารถเจริญสิ่งที่เราทำอยู่ได้วันนี้สามารถทำดได้นานไห ม, มพุนสันผุนสันมีมีมีความทุนสันไหม มีบาะบายหรือแล้วก็เวลาเราทำเวลาเราเวลาเราปฏิบัติเราก็ต uh ้องฝึกตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ ผู้ปฏิบาตทุกๆคนต้องฝึกไม่พูดไม่พูดนะไม่ไม่พูดไ ม, ไ, มไม่พูดเพราะว่าถ้าเรามีมีถ้าเราพูดอันนี้เลวกวนมากก็ให้ก็ให้มีฟุ่งสัน้นแล้วก็เราก็นึกถึงสิ่งที่เรา บอกบอกไปแล้วอันนี้ลิกกวนกันปฏิบัติของเราฟ mm hmm. ังก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีดีที่สุดก็เราก็ต้องต้องต้องอยู่อย่างวิเวกวิเ mm hmm. วกเท่าที่สามารถทำได้แต่ถ้ามีสิ่งที่สำคัญก็ต้องพูดเด่นน้อย <laughs> ทำ่อไปนะอืมเออดีดีใช่ใช่อยู่คนเดียวดีกว่าผู้ปฏิบัติต้องอยู่คนเดียวทำ่อไปโยมผู้ชายโยมคนขอช่วยได้ไหม ไปเอากาบในห้องใกล้ๆทีวีมีอีกเอามาสองอันมี อนุญาตรายงานพระอาจารย์เมื่อวานนี้พระอาจารย์ให้ให้ไปประคองประคองสติเจ้าค่ะเพราะว่าลมมันละเอียดแล้วก็จักได้ยาปรูดปอธิบายอาตมาหน่อยอาิบาอบาตมาลืมของประคองประคองสติหมายถึงว่าเอ่ <aint> ain. อ Maintain m n Maintain Maintain ค่ะ เพราะว่าลมละเอียดแล้วก็มันแล้วเมื่อวานเรียนท่านอาจารย์ว่ามันอึดอัด<น>ก็เลยนึกในใจว่านี่คือกำลังเดินตามรอยบาพภาษาสดาทำตามพระบ ร, รมศาสดาก็รู้สึกใจชื่นชื่นขึ้นขณะที่ประคองอยู่ก็ทำได้จ้าค่ะแต่มันมีภาพเข้ามาเยอะมากเป็นภาพที่ที่เหมือนกับ เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่มาอยู่ที่นี่เข้ามาเป็นเข้ามาเยอะเลยค่ะก็เลยคิดว่าอันนั้นเป็นความฟุ้งซ่านเจ้าค่ะก็พยายามที่จะประคองไว้แต่ว่าก็เหมือนกับต้องต้อ ง, ต, องต้องดูแลใจตัวเองมากๆว่าไม่ให้ร่วมมือกับความฟุ้งซ่านตอนนี้ก็เลยโดยใช้วิธีว่าเมื่อเมื่อ ถ้าเกิดมันฟุ้งซ่านมากก็เลยลุกขึ้นมาเดินแล้วก็กําหนดรู้ที่ลมเจ้าค่ะตอนหลังก็เลยพอนั่งได้ช่วงแรกนั่งได้แค่พึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินก็มาเดินนะคะตอนหลังพึ่งจะนั่งได้ชั่วโมงนึงเจ้าค่ะก็เลยเรียนผ้าจานว่าไม่ทราบว่าภาพที่เข้ามาเป็นภาพอดีตที่ผ่านมามันเข้ามาเยอะๆนี่มันมันมาได้อย่างไรเจ้าค่ะ เพราะว่าเราตืดยืดแล้วก็มีอุปทานแต่เราต้องฝึกจิตของเราและต้องประคองรักษาสติให้ดีที่ลมเข้าลมออกหรืออารมณ์ที่เราทานอยู่เพราะว่าเพื่อจะรู้ ลงเข้าลงออกได้อย่างนานๆเราก็ต้องใช้วิริยะเราก็ต้องตั้งสติของเราเราก็ต้องมีฉันดะฉันดะเข้าใใช่ไหมเข้าใจต้องมีฉันดะเป็นอธิบดีถ้าถ้าไม่มีฉันดะที่เป็นอธิบติ เราไม่สามารถกาหนดหรือลงเข้าแลลกออกได้อย่างนั้นๆก็เลยเราก็ต้องฝึกจิตของเราสิ่งที่เกิดเป็นความฟุ้งซ่านเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำมาเราชอบแล้วก็สิ่งที่เราไม่ชอบเหมือนกันแต่เราก็ต้อง ตัทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าด้วยความเข้าใจที่ดีสิ่งที่เกิดสิ่งที่ปรากฏเวลาเราทําเวลาเราปฏิบัติเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏเวลาใกล้ตายเหมือนกันถ้าเราชอบใจถ้าเราไม่ตัดถ้าเราทําไปทํามาอย่างเดิม กลายเป็นอุปาทานสิ่งที่ปรากฏในใกล้จะตายเป็นสิ่งที่เราอุปาทานมากแล้วก็ต้องฝึกจุดของเราอย่าให้อุปาทานเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกถ้ารัใจฟุ้งไปสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ลองก็ต้องต้องตัด ท, ทันทีตัดอย่างไรได้ เราก็ต้องเลือกไว้อารมณ์ที่ดีไปอารมณ์ที่เราสามารถใส่ใจได้อย่างรวดเร็วเละง่ายๆสวดมนต์หรืออารมณ์ที่สามารถใส่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกในแต่ละชีวิตของเราถ้าไม่ทําอย่างนี้เราก็ตามไปสิ่งที่เป็นอันตรายแก่เรา ถ้าเราติดยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็จะปรากฏได้อย่างง่ายๆในใกล้จะตายนี่ด้วยความเข้าใจนี้เราก็ต้องฝึกถ้าไม่มีความเข้าใจเราก็ทำอยู่อย่างเดิมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นควรทำหรือไ ม, ไม่ไม่ควรทำต้องฝึกไป ก, การนันการพระอาจารย์ค่ะเมะื่อวานนี้ที่โยมรายงานว่าโยมปฏิบัติได้ดีมากใช่ไหมคะวันเสร็จแล้วเมื่อคืน หลังจากที่ฟังพระธรรมของพระอาจารย์กลับไปก็อับสบายเช้าก็ตื่นก่อนเวลาเพื่อที่จะรีบขึ้นมาปฏิบัติต่อแต่ปรากฏว่าวันนี้ทั้งวันปฏิบัติได้ไม่ดีเหมือนเมื่อวานทีแรกก็รู้สึกอิดอว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะตอนหลังก็อะ้ววก็คิดว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมคะแต่ตั้งแต่โยมเดินขึ้นมาจากบันไดจนถึงขณะ น, นี้ โยมก็อยู่กับลมหายใจได้ตลอดจนกระทั่งถึงเวลาพูดเมื่อกี้ขาดไปช่วงหนึ่งแล้วก็มาเลืกได้ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวที่สุดเท่าที่โยมเคยทำได้บางทีเราสามารถปฏิบัติได้อย่างดีหลังจากนั้น บารรันต่อไปก็ไม่ค่อยดีไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรบางลันต่อไปก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเรามีความหวังเราก็อยากได้อีกอยากมีประสบการณ์ที่ดีได้อีกถ้ามีความหวังอย่างนี้ จะรบ ก, กวนการปฏิบัติของเราเมื่อได้เราจะเริ่มทำกรรมฐานของเราเราก็ต้องทำแบบผู้ปฏิบัติทำผู้ปฏิบัติใหม่ๆ <c oughs> อย่างผู้ปฏิบัติเริ่มปฏิบัติ <c oughs> เรื่อง <c oughs> <c oughs> อืมอื ม, อมเราก็ต้องฝึกจิตของเราไว้อย่างนี้เวลาใดเราเรานั่งสมาดี mm hmm. นั่งปฏิบัติก็เราก็ต้องต้อ ง, องเนี่จ mm hmm. ยจิตโดยจิต mm hmm. จะว่ายังไงอืม like beginner with mm hmm. เอ้อ ยังผู้ปฏิบัติใหม่ผู้ที่ผู้ปฏิบัติใหม่เขามีความสนใจเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเพราะว่าเขาไม่มีความประสบอะไรไม่มีความยังไงไม่มี something ไป yeah. <c oughs> จิตจิตนั้นมีมีมี ก, กำาลังลก็จิตนั้นมีกำลังเละจิตนั้นถ้าถ้าเราสามารถทำอย่างนี้แล้วถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราให้สงบนั่งสามาธิ ได้ดีอย่าลืม โยมขอกราบเรียนถามต่อจากของอาจารย์รัตดาที่เมื่อกี้โยมฟังคล้ายๆกับว่าเวลาที่ฟุ้งเนี่ยพระอาจารย์ให้เปลี่ยนอารมณ์เช่นสวดมนต์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใ ช, ใ ช, ใช่ถ้าเวลามีฟุ้งสั้นเราก็ต้องกลับมาใส่ใจลงเข้าลงออกเท่าที่สามารถทำได้ เร็วที่นะเร็วที่สุดไม่ต้องกําหนดว่าฟุ้งหนอหรือคิดหนออะไรนั่นไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องกําหนดยมเคยลองโดยที่ไม่กําหนดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนคิดคู่ไปกับลมคือไอคิดมันก็ไม่ยังไม่หยุดแต่ว่าหลมเนี่ยก็ยังดูอยู่มันคยยือยมกับเรียนพระอาจารย์ว่ายมยมฝึกมาอีกแบบหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเผิดอว่า โยมหยุดดูลมเนี่ยแล้วไปกำหนดเช่นคิดหนออะไรเนี่ยก็กำหนดจนกว่ามันจะหายมันก็จบเรื่องกันไปแต่อันนี้เนี่ยพอดึงดูลมเฉยๆความคิดเนี่ยมันคู่ไปกับลมโยมนี่ก็ยังรู้อยู่ว่ามันกระทบตรงไหนมันเข้าหรือมันออกนี่ก็ยังทราบแต่ว่าความคิดเนี่ยไม่หยุดไม่เหมือนกับเอ๊ะนี้เป็นแบบที่อัตมาคีทำมาเหมือนกัน มีความฟุงฟ้งโนโนก็ฟุ้งเนาะจีบก็จีบเนาะเออเดี๋ยวนี้อย่าทําเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาตมากำลังสอนศิลัสิกขาสมาดิสิกขาปัญญาสิกขาเตระขังตอนเดี๋ยวนี้โยมทั้งหลายก็กําลังกําลังเจริญสมาดิเพื่อจ ะ, จ ะ, จะเพื่อจะได้ เจริญสมาดิเราก็ต้องรักษาสติใหด้ดีที่อารมณ์ของเราถ้าเราสามารถเจริญเจริญอิกะกะตาโยมรู้ไหม <Okay. S 1> เข้าใจอิกะกะตาพระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกว่าอิกะกะตาเป็นสมาดิอิกะกะตาเป็นจิตที่รู้อารมณ์เดียว น, น, นั่นจิตที่สามาถตั้งตั้งไว้ที่อารมณ์ของเราถ้าถ้าเราไปใส่ใจความฟุง้งซ่านเราไม่มีอกกฉาแต่ถ้ามันคู่ไปกันอันนี้ก็อามาจะอธิบายอีก ไม่ใช่คู่ไปเลยเพราะว่าใจของเราไม่สามารถรู้สิ่งสองอย่างด้วยกันพร้อมกันหรือแตละอันใ น, ตในตแตละขั้นแตละเต่เว่าจิตจิตของเราคือทาอยาทรวดเร็ว มีกำลังมากโดยโด้วยร่างกายเราไม่สามารถทําได้อาตมาจะให้ตัวอย่างทําได้กี่นาที <c oughs> เหนื่อยโดยร่างกายของเราไม่สามารถทําได้แต่ว่าจิตทําได้โยงทําอย่างมีอยู่เพื่อจะรู้อารมณ์หนึ่งเราก็ต้องยกจิตของเรา เกอารมณ์นั้นเพื่อจะรู้อารมณ์นี้เราก็ต้องโยกจิตของเราเกอารมณ์นี้อีกอย่างนี้เลยคลายทามิวบางผู้ปฏิบัติหลายๆคนบอกว่าอัตโนมัตมิ <c oughs> ไม่ใช่หรอก <c oughs> เป็นเป็นโยงจิตของโยง <c oughs> เพราะว่าจิตโยงก็รู้ว่าโยงต้องฝึกจิตของลงให้อยู่กับ อารมณ์กรรมฐานก็เลยทแล้วก็เราก็มีนิสยัยใจคอถูกเรียบร้อที่ในวัฏฏสงสารแล้วก็ไม่ชอบอยู่กับอารมณ์เดียวก็เลยเราก็มีนิสยัยอย่างนี้ก็เราก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ก็เราก็ทำเลย <laughs> ก็ยอมพ้ก็ต้องรักษาสติให้ดียกจิตยกจิตของโยเกอารมณ์กรรมฐานแค่นี้เองถ้ามีสันดชดาเป็นอธิบติสามารถทได้ไม่ต้อง เออไม่ต huh? ้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยต้องรู้แต่ลงเข้าลงออกเดี๋ยวนี้ยังเดีว ถ้าเกินสองชั่วโมงก็สุขภาพกลายไปนะ ไม่เคยสอบอารมเป็นกัปปิยะแบบนีาครับอาจารย์ครับที่ที่บอกว่าเอเราเป็น วันนี้มาครั้งแรกอย่างที่พัชร์ชันว่าเนี่ยเป็นเป็นนายของคเคเลตแต่วันสองวันเนี่ยเป็นทานของคเคเลตครับอิทธิย์ะไม่มีเลยคือพยายามแต่ว่ามันคือความตั้งมั่งจะไม่มีครับจิตไม่ไม่ตั้งมั่นแต่มาครั้งแรกอ่ะตั้งมั่นอย่างที่ทิพย์ก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วครับว่าเพราะว่าเราเราไม่มีฉันทะ ต้องฝึกฉันทะแต่นี้จะทํำยังไงให้ให้มีฉันทะมากขึ้นอะไรพวกนี้มีวิญญาตมากขึ้นมีจิตมากขึ้นแล้วก็มีปัญญามากขึ้นเนี่ยสำคัญเนี่ยรครับอาจารย์จะทํำยังไงครับทุกคนมีความปรารถนานดีเกตตัวเองอยากจะทําสิ่งที่มีประโยชน อันนี้เป็นความปรารถนาที่มีอยู่ในแต่ละคนมีเตไม่ทำ<ม>ใช่ไหมมีเตว่าไม่ทำจริงๆถ้าอย่างนั้นก็เราก็บอกได้ว่าเราไม่มีความปรารถนาที่แท้จริงเพื่อจะทำประโยชน์ของตัวเราคงส่วนมากก็คิดว่า เขามีความปรารถนาดีแก่ตัวเองแต่จริงๆแล้วส่วนมากก็ไม่ทําอยู่ทาอยู่แต่สิ่งที่ชั่ว <c oughs> ก็เลยเราก็ต้องฝึกเราก็ต้องทําอย่างที่เรารูอ้อย่างที่เราปรารถนาใช่ไหมต้องก็ลองก็ต้องฝึกจิตของเราถ้าจิตจิตนี้ถ้าให้ฝึก เพราะพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าอาตมาไม่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอันตรายมากกว่าจุดที่ไม่พัฒนาไว้ก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกอยากหรือไม่อยากเราก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็ก็ให้เกิดมีอันตรายในชีวิตประจำวนัน และใกล้จะตายแล้วก็นด้อนาคตด้วยกันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กอให้เกิดปัญหาอันนี้มาจากจิตของเราอืก็เข้าใจนะครับอาจารย์ที่ว่า จิตตแล้วก็จะเออเรื่องของจิตเนี่ยต้องฝึกนะครับอาจารย์วิเวลาจะฝึกนี่ก็ก็พยายามจะฝึกแต่ว่า ม, มันมันมันไม่ไม่มีกำลังจะทำไงให้มีกำลังครับ พยายามก็ก็มีอยู่นะแต่ว่าก็ก็เข้าใจครับแต่ก็ถ้าถ้าจะว่าเราเราจะให้มีมีมีความพยายามจะให้ให้จิตเนี่ยฝักไฝในกุศลก็ก็ตั้งใจอยู่นะครับฝักไฝในกุศลแต่ว่าในกิเลสนั้นก็บางครั้งมันก็มาคลอบน้ำได้ทำให้เราก็มีความย่อหย่อนไปบ้าง เรก็ไม่ไม่สามารถที่จะชนะไอ้ตัวกิเลสนี่ได้ก็จะพยายามให้มั น, ใ ห, มนให้มีกําลังแต่ว่าวิธีการนะฮะอาจารย์วิธีการจะทำยังไงให้มีให้มีกลังมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราจะต้องไม่ไม่หวั่นไหวในอกุศแลธรรมต่างๆเนี่ยจะทำยังไงให้มีให้มีกาลังมากขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถที่จะชนะ ในกีเลิที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยให้มันให้มันลดน้อยลงได้จะทำยังไงกับอาจารย์คำถามของโย่อาจจะเกี่ยวข้องกับในแต่ละวันและในกาำปฏิบัติใช่ไหม ในการปฏิบัติเพื่อจะสามารถปฏิบัติได้อย่างดีเราก็ต้องตั้งใจเพื่อจะทำเเพื่อจะต้องเพื่อจะสามารถตั้งใจทำเราก็ต้อง ลงมือทำเลยเราก็ตัดเราก็ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอะไรสิ่งไรอย่างที่เราทำด้วยกันก็สามารถไม่สามารถช่วยในกับการปฏิบัติของเราได้เหมือนกันก็เลยบางทีบางคนมี บางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำเวลาที่ทเวลาที่ปฏิบัติก็เลยรปกวนการปฏิบัติของเขาโยมก็อาจจะเข้าใจเกี่ยอวอกับการปฏิบัติแต่ว่าถ้าเวทตเราได้โอกาสที่จะทำที่จะปฏิบัติ อย่างที่เราอยากหรือไม่ได้ก็ตามในแต่ละชีวิตนะในประจาวันของเราเราก็ต้องให้รู้ให้ชานันจิตของเราเราทำสิ่งที่ไม่ดีหรือถ้าเราทำสิ่งที่มัน ไ, ไม่มีประโยชน์แกตัวเอง ตามไปเพราะว่าเราไม่ชำนานจิตของเราในแต่ละวันเราทาําสามอย่างด้วยจิตด้วยกายและด้วยวาจา วจีรากัมจวนวจีรากรรม ว, วกายะนะกายะกายกัมกากวจิวจีกัมมันเกิลังมันดอกัมใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ไม่ชำนันจิตของเราถ้าไม่รู้ทันทีจิตที่ สังเราอยู่จะทำอย่างนี้จะทำอันนั้นเราก็ไม่สามารถรักษากุศลลจิตและกุศลละกรรมได้ในานในประจันวันของเราแม้แต่เราอยู่ในวัดใจของเราก็ทำอยู่ความชั่วเพราะว่าเราไม่ชำนานจิตของเราเราก็ต้องต้องรับเทว่า ไม่ยาลุ่มือกับคำสั่งสองคำสั่งของกิเลสถ้าเราทําตามคาสั่งของกิเลสเราก็เป็นทาสเราก็ไม่เป็นนายเราก็ไม่สามารถกำเนิดไม่สามารถรักษากุศลจิตได้ทุกคนต้องฝึก เพื่อจะชำนานจิตของเราในประจําวันของเราอ ย, อยู่ที่ใดก็ตามถ้าเราชำนานจิตของเราแล้วเราอยู่ได้อย่างสงบเรารู้จะอยู่อย่างไรเราสามารถอยู่ได้อย่างสงบเราควรทําอะไรเราไม่ควรทําอะไรเราก็รู้ เราก็สามารถดำรงชีวิตของเราได้อย่างดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำแม้เราปฏิบัติอยู่หรือไม่ไ ม, ไม่ไม่ก่าตามเราก็ต้องฝึกเพื่อจะชำนาญจิตของเราเพื่อจะเพื่อจะสามารถรักษากุศลจิตมากเพื่อจะสามารถ ปล่อยเอาอสังราจิตแล้วก็ถ้าสระาทำไปอย่างนี้ติดด่อตอนเนื่องจนถึงเราตายโยมก็จะได้รู้ว่ามีประโยชน์เท่าไหรมีประโยชน์มากต้อ ง, งต้อง ลงมือทํา <laughs>